ลงไปจนถึงการมีสัมมาสมาธิอะไรบ้า ม, มีอง์8หรือว่าทางสายกลาง เ, เมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะพบว่าทุกนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุนะก็คือตัณหาคือวิชาและถ้าเราได้ปฏิบัติถูกต้องนะ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 ทางทำเนี่ยหมายถึงความตั้งใจมั่นนะที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ดีให้แน่ชัดแล้วก็เดินหน้าปฏิบัตนะิด้วยความตั้งใจแน่วแน่อธิษฐานนี่เป็นบารมีนะหนึ่งในทัศบารมีนะ บารมีก็คือความดีนะขั้นอุกฤษก็ว่าได้นะที่สามารถจะทำให้บุคคลได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือได้ตัสรู้ธรรมบารมีนะที่ทําให้ผู้เจ้านี่ทรงบรรลุ ธ, ธรรมก็มีสิบประการที่ทรงบําเพ็ญตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์นะนะพวกเราคงจะได้ยินนะคุ้นเคย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 หรือกามคุณลูบรถกินเสียงสัมผัสที่น่าพอใจจยากได้ธรรมารแล้วก็เป็นปัญญานะแล้วก็วิริยะความเพียรสัจจะความซื่อตรงความจริงใจขันติความอดทนแล้วประการต่อมาคืออธิษฐานความตั้งใจแม่นตั้งใจมั่นแน่วแน่เด็ดเดี่ยวในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง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 ขอให้ร่ำรวยขอให้หายป่วยขอให้มีชื่อเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ อ, อธิษฐานที่ถูกต้องมันเป็นการสนองกิเลสด้วยซ้ำนะไม่ใช่เป็นการาไม่ใช่คุณธรรมเพื่อที่จะลดละกิเลสสาหรับพระนี่เรื่องการอาธิษฐานพรรษา เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพระนั้นเนี่ยมีกำหนดที่จะอยู่ปฏิบัติฝึกฝนตนตลอดสามเดือนในการที่จะทำเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเพราะเมื่อมีหมู่มิตรอยู่ด้วยกันมากๆหลายรูปลาพังกันที่จะลดละขัดเกลากิเลสในตัว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 นาสำคัญมากนะเพราะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยในคืนที่จะทรงตัดสรุพระสัมมาสัมพุทธิญาณเนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานนะอธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายในสิริล้นี้จะเหือดแห้งเหลือแต่หนังเอียนและ ก, กระดูกระดบใดที่ยังไม่บรรลุพระธรรมนะก็จะไม่ลุกนั่งจากไม่ลุกจากบัหลังก์คือจะไม่หยุดการปฏิบัติ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 อธิษฐานหรือตั้งใจที่จะลดละอความไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นเครื่องน่วงเหนี่ยวชีวิตจิตใจบางคนอาจจะอธิษฐานว่าจะงดเหล้างดสิ่งเสพติดงดอบายมุกนะบางคนอาจจะอาจอาจะอจธิษฐานว่าจะไม่ฆ่าสัตว์นะบางคนอาจจะอธิษฐานว่าจะไม่เกี่ยวข้องนะ กับอบบายามุกแบบใหม่ๆนะบางพอเดี๋ยวนี้มันมีอับบายามุกใหม่ๆ ห, ห, หลายรูปแบบนะเช่นเกมนะเกมออนไลน์นี่ก็เป็นอบายามุกได้แล้วนะบางคนที่ติดเกมออนไลน์จกนกระทั่งไม่สนใจลูกไม่สนใจเมียนะในประเทศเกาหลีนี่เล่นเกมออนไลน์จกนกระทั่งทิ้งลูกให้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 ก็คือมีกิจกรรมที่ทำให้เจ้าตัวหรือทุกคนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยเขาได้เห็นถึงข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดของตัวเองข้อบอกพร่องนิสัยที่ไม่ดนะีที่ทำให้เกิดความทุกข์แล้วเขาก็พิจารณาจากกิจกรรมก็เพราะว่ามีอย่างหนึ่งที่เขานะติดตัวมา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 คนร่วมโต๊ะก็คือลูกชายนั่นแหละก็ปรากฏว่าพอได้ทําอย่างนี้เนี่ยความสัมพันธ์กับลูกชายก็ดีขึ้นเพียงแค่ได้ทักทายได้สนทนาเพราะว่าจําเป็นต้องเคี้ยวข้าวให้ช้าลงนะก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกชายแลยังพบในเวลาต่อมาว่าโรคบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเป็นเวลานานเช่นหายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็ปวดท้องเนี่ย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 กระจายงานให้ลูกน้องกระจายงานให้ลูกชายตัวเองก็เริ่มผ่อนคลายมีเวลามากขึ้นก็เลยคิดถึงพ่อแม่ว่าไม่เคยไปเยี่ยมพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็ถามอยู่แล้วถามแล้วถามอีกก็บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาจตตอนนี้มีเวลาแล้วก็เลยไปเยี่ยมพ่อแม่แล้วก็พาท่านไปเที่ยวล้วความสัมพันธ์กับครอบครั ว, ก, วกับพ่อแม่ก็ดีขึ้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับลูกก็ดีขึ้น นะแล้วก็ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่ามีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีเวลาทําความสงบให้จิตใจไม่เร่งรีบนะเธอเพราะว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปเยอะยนะเพียงแค่ว่าเคียวข้าวช้าลงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็อย่าประมาทนะมันสามารถจะให้อา น, นิสงค์มากมาย ขอเพียงแต่ทำอย่างต่อเนื่องทำทุกวันนะมันก็จะทำให้เห็นผลได้มากมายอย่างที่นึกไม่ถึงเลยลการเข้ารรษาเนี่ยถือเป็นการเว้นวรรคให้กับชีวิตก็ได้นะชีวิตบางคนนี่เร่งรีบมากนะแต่ว่าถ้าเราลองมาทำอะไรสักอย่างที่ดีๆลดละบางอย่างนะที่ไม่ดี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 นะอันนี้ก็เป็นการบำเพ็ญทานนะจะรักษาศีลหรือว่าจะทําสมาธิก็ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่า5นาทีนี่ก็สําคัญนะเคยมีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มสองคนมากราบหลวงปู่ดู่นะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงหลวงปู่ดูไปตอนหนึ่งแล้วก็มากราบนะเพื่อนคนหนึ่งก็ศรัทธาหลวงปู่ดูมากแล้วก็เลยชวนเพื่อนอีกคนนึงว่า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 วันละหนาทนะีผู้ชายคนนั้นก็ก็ถามหลวงปู่ดูว่าห้าสีเท่นนั้นหรือนะหลวงปู่ดูก็บอกว่าหาสีเช่นนั้นแหละเขาก็เห็นว่าพอไหวก็เลยรับอี น, นี้พอเขารับปากใครแล้วเขาก็ทําจริงจังกลับไปบ้านเขาก็นั่งสมาธิทําสมาธิทุกวันวันละห้านาทีทําสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้านะแต่บางวัน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 สุดท้ายก็เลิกเล่าได้นะแล้วตลลังก็มีศรัท ธ, ธาประสาธานะในพระธรรมก็เลยบวชก็บวชอยู่ยาวเลยอาชีพเขาก็เปลี่ยนได้นะจากการจากการนั่งสมาธิเป็นงแค่วันละห้าหนาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงจัดว่าอย่าประมาทในธรรมในกุศลธรรมแม้เพียงเล็กน้อยนะเพราะพวกเราเนี่ยในเมื่อโอกาสมา ถ, ถึงแล้วนะข้อพรรษานี่นะ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 อาจจะทำได้ไม่ตลอดพอทำได้ไม่ตลอดก็กลายไปว่ากลายเป็นคนเจ็บเก็บเก็บกรดจับจดนะเอาเรื่อง ง, ง่ายๆเนะี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยเกียวข้าวไช้าลงหรือนั่งสมาธิวันลห้านาทีแล้วพวกเราจะทำได้มากกว่า น, นั้นแล้วก็ได้เพราะว่าฝึกมานานแล้วนะก็แต่ว่าขอให้สิ่งที่เราอธิษฐานตั้งใจนี่มันเป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรม